ท่านทั้งหลายอยากพบอยากเห็นอยากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยากตามเสด็จพระพุทธเจ้าขอให้เป็นผู้มีหลักธรรมหลักมีในแน่นหมามัานคงหลักธรรมและหลักพรรมนี้ไหน น, น, น, หหไห น, นั่นและคือองศ า, ศาสดาแทนพระพุทธเจ้าเมื่อปริยพานไปแล้วนี่เป็นพระวจาที่สั่งสอนพวกเราทั้งหลาย ท่านผู้ใดมี <c oughs> ความระมัดระวังศีลเป็นภาคพื้นให้สวยงามสมบูรณ์แบบทุกอย่างนี่เรียกว่าเดินตามรอยพระพุทธเจ้าหรือเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วการปฏิบัติธรรมคือจิตตะภาวนาเป็นสำคัญจิตตะภาวนา นี่ะจะทำให้เราเห็นองค์ศาสดาประจักที่หัวใจของเราหลักธรรมหลักวินัยนี่จูงเข้าไปจูงเข้าไปหาธรรมแท้น่ะศาสดาแท้อยู่ที่ตรงนั่นแหละท่านแนะนำสั่งสอนไว้ว่าดูก่นอนอานน์พระธรรมและพระวินัยนั่นแหลจะเป็นศาลาของเธอทั้งหลายแทนเราจะถาคต เมื่อเราล่วงไปแล้วมีสำคัญมากเป็นพระวจาสดสดร้อนๆอนเมื่อต่างท่านต่างมีความรักใคร่ใกล้ชิดต่อหลับทำหลักที่ันไม่ล่วงเกินฝ่าฝืนแล้วท่านผู้นั้นชื่อว่าติดแนบอยู่กับองศาสดาเป็นความอบอุ่นแน่นอนศสีลินเป็นรั้วกัน้นสองฝาาทาง ไม่ข้ามออกไปข้ามบ อ, อกไปกระตกเหวตกบ่อเป็นอันตรายทั้งัน้นให้อยู่ในกรอบของศีลเรียกว่าอยู่ในเขตของความปลอดภัยจากนั้นก็ก้าวเดินทางด้าน <c oughs> ธรรมะคือจิตตะภาวนามีสติเป็นสำคัญมากทุกทุกท่านจำให้ดีคำว่าสติสตินี่เป็นพื้นฐานแห่งการบําเพ็ญธรรมทุกขั้นทุกภูมิ แต่พื้นพื้นที่ฝืกหัดดัดแปลมลงมลุกครุครานนี่จนกระทั่งถึงวิมุตต์หลุดพ้นจะนอกเหนือไปจากสตินี้ไปไม่ได้เลยเวลาลมุกครุครานก็มีสติควบคุมไว้ตลอดจนได้หลักได้เจนจิตเข้าสู่ความสงบล่งเหย็นด้วยจิตตะภาวนาโดยมีสติเรื่อควบคุมอยู่เสมอ แล้วจิตก็จะเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปสติเป็นสำคัญมากนะการเคลื่อนไหวไปมาแม่ที่สุดการเดินจงกรมนั่งสวาธิภาวนาเรื่องสติเป็นเรื่องสาคัญเป็นเรื่องใหญ่โตมากที่สุดในการบำเาพ็ญจิตตะภาวนาของพวกเรา <c oughs> ขอใหม้มีสติดีดเถืม สมมุติว่าเราฝึกเริ่มฝึกหัดเบื้องต้นจําต้องอาศัยคําบุิกรรมเป็นหลักยึดของใจคําำวิกรรมจะเป็นคําใดก็ตาม <c oughs> ตามแต่จิต ด, ดีใสยชอบ <c oughs> เช่นพุทธโธหรือธรรมโมสังโฆเป็นต้นนะแล้วให้หยึดคําบุิกรรมนั้นมาไว้กับจิตมีสติควบคุมอยู่กับคําบุิกรรมนั้นตลอดไปอย่าให้เผลอไปไหน อยาเสียดายความคิดความปรุงที่เคยคิดปรุงมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกอยนกระทั่งมาถึงแต่เช้ายันค่าแล้วยอนค่ ำ, ำแต่ตื่นนอนจนหลับความคิดเหล่านี้ส่วนมากเป็นความคิดของทิเลตันหาสร้างขึ้นจากความเผลอสติของเราถ้าไม่เผลอสติตัดความคิดทั้งหลายนั้นออกเพราะไม่เป็นสาระประโยชน์ใดนอกจากจะมากวนใจให้หาความสงบ ร่มเย็นไม่ได้เท่านั้นจืงตั้งสติให้ดีอย่าเสียใยอารมณ์ใดนอกจากคำบุิกรรมของเราสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่มีหลักหรือคำบุิกรรมเป็นหลักใจแล้วมีสติเป็นเครื่องกำกับอยู่กับคำบุิกรรมนั้นอย่าให้เผลออย่าเสียดจเวลาเวลาไปไหนที่ กิเลสมันจะฉุดล่าไปด้วยความอยากคิดเรื่องนั้นอยากปรุงเรื่องนี้นี่ไปมีแต่เรื่องกิเฉุดลากออกนอกลูนอกทางแห่งคำบริกรรมของเราอย่าให้มันคิดออกไปได้มีสติควบค่มเช่นพุโทโธตั้งกระตื่นนอนเอาที่ท่านจาน้างอะไรเอาพี่นาสิตั้งกระตื่นนอนเราตั้งแล้ว น, นี่เราจะ ตั้งภาวนาะเพื่อให้ได้หลักของจิตใจเกี่ยวก็คิตต่ภาวนะาพระพุทธเจ้าโกหกโลกจริงๆเลยอเอาตรงนี้นะเอาอะไรเป็นเครื่องยืนยันกันเอาสติตั้งสติกับคำบุญกรรมนี้ให้ดีอย่าให้เผลอวันยั่งคำไม่เผลอได้ยิ่งเป็นการดีการดีตื่นนอนจับปั๊บเลยไม่ให้เผลอหากว่าเราจะมีการเคลื่อนไหวไ ป, ไปมาทางใดก็มีสัมปะชัญญะติดแนบอยู่ด้วยกัน จดจอ่อก็คือสติกับคำบริกรรมให้ติดแนบถ้าเคลื่อนออกจากนี้ก็ให้เป็นสัพจัญญารู้ตัวในความเคลื่อนไหวของตอนของตอนอย่างนี้เอาวันนี้ตั้งอย่างนี้แล้วคอยดูไม่ให้เสียดายความผิดของเรานี่เรียวกว่าผู้จะตั้งรากตั้งฐานเพื่อสมบัติของจิตจะได้ปรากฏเด่นชัดขึ้นมาตั้งแต่สมาธิสมบัติหรือสมถะสมบัติสมาธิสมบัติ จากนั้นก้าวทางด้านปัญญาเมื่อจิตของเรามีความสงบย่มเย็นแล้วย่อมออกย่อมอิ่มอารมณ์อารมณ์ที่อยากคิดสิ่งนั้นอยากคิดสิ่งนี้นี่จะจางไปจางไปเพราะนั่นเป็นอารมณ์ของกิเลสกิเลสทำงานจะสร้างแต่ความมัวหมองมืดตื้อกามาสู่ใจทำทำงานคือคำมือกรรมมีสติกากับรักษานี่เรียกว่างานของธรรมงานของธรรมนี่แลจะทาจิตใจของเราให้ มีความสงบเป็นลำดับธรรดาเมื่อมีสติอารักขาอยู่ตลอดแล้วจะไม่มีภัยอะไรเกิดขึ้นภายในใจเลยจิตของเราจะมีความสงบแน่นขึ้นได้นับตั้งแต่วันนี้เวลานี้ไปเราจะดูเป็นยังไงจิตจะตั้งได้ไหมเราพูดทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างไรจับให้ติดคือสติเป็นสำคัญมากวันนี้ตั้งทั้งวันเราจะตั้งฐานจิตของเรา ด้วยความมีสติไม่ปาศึจากคำบริกรรมสำหรับผู้ที่ตั้งรากฐานใหม่ๆเริ่มใหม่ๆสำหรับผู้มีรากฐานแล้วแท่นปีเป็นสมาธิความรู้ก็ให้ติดอยู่กับสมาธิสมาธินี่คือความสงบใจแน่นหนามัน่นคงของใจไม่เสียดายอารมณ์ที่คิดที่ปรุงต่างๆซึ่งเคยเสียดายมาแต่ก่อนซึ่งใจยังไม่ได้หลักพอใจได้หลักคือสมาธิ แน่หนามันคงแล้วความคิดปรุงเหล่านี้จะไม่เข้ารบกวนใจมีหนามสามจิตผู้มีสมาธิที่มั่นคงจริงๆความคิดความปรุงเป็นเรื่องลาคาดอยู่เอกกิจเอกธรรมเรียกว่าเอกขตาลมแนวอยูด้วยสมาธิอย่างนี้นี่เป็นความสบายใจความคิดปรุงใดปรากฏขึ้นมาเป็นความลาขาด นี่ถึงขั้นนี้แล้วเรียกว่าขั้นจิตอิ่มตัวเมื่อจิตอิ่มตัวชนิแล้วให้แยกออกจากจิตคือแยกออกจากสมาธิพิจารณาทางด้านปัญญาด้านปัญญานี้เจสามาณขาสันตาตะโจนี้เป็นได้ทั้งอารมณ์สมถะเพื่อเราบริกรรมเพื่อความสงบใจเป็นได้ทั้งอารมณ์วิปัสนาคือเราลี่คลายผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเหล่านี้ตัวมาทั่ง เห็นกระดูกตับไตใส่ฝู่มไปหมดครี่คลยายออกตามสัด ต, ตามส่วนของมันที่มีอยู่ในร่างกายของเราทั้งหญิงทั้งชายสัตว์บุคคลทั่วๆไปมีอยู่หมดและนี่เรียกว่าภูเขาผูเราภูเขาทั้งลูกทําลายมันแตกกระจายไปได้แต่ภูเขาผูเราคือสมปินตัวของเขาของเราของหญิงของชายนี้ไม่มีใครสนใจทําลาย ยี่เหล่ยตันหามันจึงปักแน่นอยู่ในภูเขาผูเยานี่แน่นหนาะมันคงมากทีเดียวจงใช้ปัญญาพิจารณาจะเจสาเอาแยกเข้าไปหารวมราขาทันตาตะโจรเรียงลำดับไม่เรียงลำดับไม่สัมพันธ์ให้มีสติติดแนบกับอารมณ์ที่เราชอบใจเห่นหนังหรือเนื้อพิจารณาเข้าไป แล้วมันจะเหมือนไฟได้เชือ้อจะค่อยลุกลามเขาไปะช้นเอ็น ก, ก็ดูกลับใตไส้พุงอาหารเกา่าอาหารใหม่สิงนวนแล้วตั้งแต่เป็นส่วมเป็นฐานของสัตว์ของบุคคลของเขาของเราแต่และคนละคนที่เคลื่อนไหวไปมาอยู่นี้คือส้วมคือฐานคนเป็นสัตว์เป็นส้วมฐานของภูเขาผูเรานี่แหละมันยึดส้วมยึดฐานเป็นสาระอะไรมันไม่รู้มันก็ต้องยึดทีนี้ให้แยกออกดูสภาพแนหะ่ง ตัวเมียานี้มันมีสาระอะไรบ้างาาพิจนาจะพิจนาผมก็ได้ผลเล็บฟันตามแต่ความจัดดิตนิสัยชอบแล้วแยกเข้าไปแยกเข้าไปจนถึงเนื้อหนังเอ็นก็ดูตับใจไส้ผู้ ด, ดูจากนั้นแยกออกกระจัดกระจายให้เป็นสัดเป็นส่วนให้เป็นของปฏิกูลโสโครเน่าแฟกไปหมดทั้งร่างเอาประกอบกันเข้ามาตั้งขึ้นเป็นหญิงเป็นชายเอาสวยงามตั้ง อจุภาสุพังณตีมันแหลกลงไปตั้งขึ้นสวยงามสลาตอีอจุภาตีแตกือแหลกกระจ า, ะจายไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าปัญญาชํานาญให้ใช้ปัญญาเมื่อจิตอิ่มอารมณ์คือมีสมาธิแล้วยายู่กับสมาธิสมาธินั้นไม่ใช่ทำแจ้ที่เล็เป็นแต่เพียงว่าทำเพื่อทําทีเด็ให้สงบตัวด้วยสมาธิจิตชีพกรุงต่างๆเึีงไม่ค่อยมีสําหรับผู้มีสมาธิ น่นลาละกิดอิ่มตัวให้เอากิดอิ่มตัวนี้ออกพิจารณาเรื่องธาตเรื่องขันเจสาโรมานาขาทันตาตะโจเข้าไปถึงอาการสามทสองทุกสัตว์ทุกจวนเดินกรรมฐ า, านอยู่ในร่างกายของเรานี้ขึ้นขึ้ น, นลงลงหลายครั้งหลายหนจนมิความชำนี้ชำนาญร่างกายนี้เวลาเราพิจารณาทางปัญญามีความชำนาญแล้วมันจะรู้อย่างรวดเร็วรวดเร็ว มองดูอะาระนี่ทะลุทะลุไปหมดเลยสมมติเราอยู่ในขั้นพิจารณาติดใจของเราเช่นเนื้อเนี่ยมองไปดูคนแดงโลกพิจารณาเข้าไปมันชัดเจนทางกระดูกมองดูคนเห็นแต่กระดูกเต็มเต็มตัวมองไปไหนจะเห็นแต่สิ่งที่เด่นชัดภายในปัญญาของเราที่เคยพิจารณามาอยู่แล้วแล้วพิจารณาซ้ํซ้ำซากๆา แยกออกแยกส่วนแบ่งส่วนออกเป็นกองเนื้อกองหนังเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงแล้วทั้งหมดนี่มาจากบาำว่าสัตว์วัตถุคลที่เกิมันรวบรัดเอามาเราไว้ประดับประดาตกแต่งเอาผิววังบ้านี้มาหลอกลวงน้าเป็นของสวยของงามนอกจากนั้นก็นเอาสิ่งภายนอกเข้ามาประดับประดาตกแต่งให้ลืมส่วมภายในให้ลืมของชกโปกอยู่ในตัวของเราภายในเพราะสิ่งภายนอก มันออกมาพรางตาที่เลียดออกมาพรางตาให้คนตาฝ้าตาฟางพระตาฝ้าตาฟางอยา่างเราหลง mm hmm. เห็นแล้วก็ว่าโอ้นั่นสวยนี่งามเขาตกแต่งดีสวยเท่าไหร่ยิ่งว่าสวยว่างามมันสวยงามตั้งแต่เสือ้อแต่ผ้าแต่เครื่องประดับแต่ตัวอของตัวเองคือร่างกายของเราเดี๋ยมันไม่ได้สวยได้งามมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่งเหล่านั้นนะมันขึ้นอยู่กับตัวของมันเองคืออาชุภาอาชุพัน ทุกขงังอันจริจังอัตาเต้นไปใ น, นี่หมดตัวนี้เยียวกว่าเป็นตัวโสกโปกที่สุดในร่างกายของเขาของเหล่านะตัวนี้ไปที่ไหนต้องทําลายความสะอาดสะอ้านความสวยงามไปหมดอืไปนั่งที่ไหนเลื้ยวกีวรผ้าจวงกีวรมานุ่งมาหมต้องเอาไปซักไปฟอกเพราะตัวศพดิบนี้มันมันตัวเป็นตัวโสกโปก มาแปะเพื่อนกันแล้วต้องไปซักไปฟอกไปงั้นเหม็นคุ้งไปหมดดูไม่ได้นะเนี่ยมนุษย์เราไปที่ไหนมีแต่ของสซครโปะโไปที่นั่นที่นั่นอยู่ในกุฏิก็ต้องในเช็ดได้ถูดได้ชะได้ล้างไปที่ไหนถ้าเกี่ยวกับร่างกายนีแล้วต้องชะต้องล้างนี่ร่างกายเป็นต้นเหตุสําคัญคือตัวโซครโปะโอะไรจะสวยงามขนาดไหนก็ตามถ้าร่างกายเขาได้เข้าไป ฆราเขาหรือคุกเข้ากันแล้วจะเป็นของโซกโปกไม่น่าดูตามกรรมตามกันไปหมดให้พิจารณาอย่างนี้แยกแยะให้ดีเอาจริงเอาจังนะว่าผลนิพญานอยู่กับธทมเหล่านี้แหละไม่อยู่ที่ไหนอย่าไปถามว่าวิญญานอยู่ฝ้าโน่นฝ้านี้ฝ้าเมืองอินดงอินเดียนั่นเป็นที่ริพญาณของพระพุทธเจ้าแต่กิเลสตัณหาหรือนิพพานแต่แค่นี้อยู่ที่หัวใจของเราทำแรกกิเลสที่ออกตัวโซกโปกเราที่แหละ มันมาพอกผูนประดับประดาตุนเองหลอกลวงสรรโลกภาให้ว่าเป็นของสวยของงามคือสมดิบของเรานี่แหละแยกแยกออกให้ดูนี่คือสร้างปัญญาเมื่อพิจารณาจิตใจเราพิจารณาทางด้านปัญญามันมักจะเพลินถ้ามันเพลินไปมันจะพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยให้ยั้งหให้ยับยั้งเข้ามาสู่สมาธิเวลาจิตใจอ่อนเพี้ยไม่ี มันเล่นความเพียรของมันโดยทางปัญญามันจะหมุนของมันไปเรื่อยๆเพอได้เหตุได้ผลในการฉอดถอนเฉเด่ยจากสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะเผินตัวของมันถ้ามันเผินตัวมันจะรู้สึกมีความเหนื่อยภายในร่างกายของเราจะว่าอย่างยื่งภายในหัว อ, อกจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อละภายในท่ามกลางหัวใจเรวนั่นแหละแล้วให้ย้อนจิตที่มันกําลังเผินในการปรินานั้นเข้าสู่สมาธิจ้ะ เข้าสู่สมาธินี่คือพักงานงานของเราคืองานพิจิตจพิจารนาอสุาสภาษพังทุกขังอนัตตาอยู่ในร่างกายเมื่อมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาแล้วให้ย้อนเข้ามาพักสมาธิการพักสมาธินี้จิจเจเพลินไม่อยากจะเข้าพักนะแต่ก่อนถือเป็นสมาธิเป็นสำคัญว่าเป็นความสิ่งที่ให้ความสุขความสะดวกสบายแต่เวลาก้าวฐานานั่งปัญญาแล้ว สมาธินี่เหมือนหนึ่งว่าจะหมดคุณค่าคุณค่าเพราะหนึ่งว่าจะไม่มีชิ้นดีเลยความจริงมีชิ้นดีอยู่ในนั้นเวลาเราพิจารณาเดินเหนื่อยเมื่อล้ามากๆแล้วให้ถอนตัวเข้ามาเข้ามาสู่สมาธิเข้ามาสมาธิแล้วจิตตจาไม่อยากอยู่สมาธินะมันเพลินทางด้านปาัญญามันจะพุ่งออกทางด้านไปแล้วหักเข้ามาเวลาเราจะให้พักหักจิตเข้ามามันจะเพลินในการพิจารณาทางด้านปัญญาขนาดไหนเวลานั้น มนันเหนื่อยไม่แล้วแล้วควรพักงานพักงานให้ย้อนเข้ามาสู่สมาธิทําสมาธิให้สงบตามเดิมส่วนมากมันยังไม่อยากเข้านะเข้าสมาธิเมื่อมันเพลินทางด้านปัญญาเมื่อมันไม่เข้าจริงๆเอาคําำริกรรมติดเข้าไว้นี่นะคําำริกรรมคือให้มันอยู่ในอารมณ์เดียวถ้าออกจากนี้ปั๊บมันจะออกทางด้านปัญญาพุ่งพุ่งเลยเพราะนันถึงให้ยัง้งยับยั้งเข้ามาสู่สมาธิด้วยคำํำวิกรรม เช่นพุโทโธพุโทโธหรือคําบริกรรมใดที่เ ร, ร, ร, ราเคยสนิทกับจดินิสัยเราติดอั้นไว้ให้เอาคําเดียวเอาคําบริกรรมเช่นพุโทโธพุโทโธให้จิตให้สติจ่ออยู่กับพุโทโธอย่างเดียวย แ, แล้วจิตจะค่อยสงบแน่โวลงสู่สมาธิเมื่อเข้าสู่สมาธิแล้วหยุดงานการพิจารณาสิ่งใดทั้งหมดพักบทเรื่องทางปัญญา ที่แยกธาตุแยกขันธ์แยกเขาแยกเราแยกทุกสัดทุกส่วนนั้นเป็นเรื่องปัญญามันจะพักหมดจีจะเข้าสู่สมาธิคือพักเอากำลังนี่เรียกว่าพักเอากำลังเข้าสู่สมาธิด้วยคบริกรรมใดก็ตามคือเวลามันผ่านผลจริงมันจะไม่เข้าสมาธินะครั้งทั้งที่สมาธินี้แน่นหนามันคงเหมือนหิน ตอนที่ยังไม่ได้ก้าวออกทางด้านปรราัญญาพ อ, อ, อก้าวทางด้านปัญญาแล้วปัญญาจะทำให้เพลินตัวเพลินตั ว, เ พ, ตวเพลินในการพริจารณาแก้ไขถอดถอนที่เลสีไมด่ดีมันจะตำหนิสมาธิวันนอนตายเฉยไม่ได้แก้ที่เลสปัญญาต่างหากแก้กี่เลสที่มันก็จะเพลินทางแก้ที่เลสโดยไม่ไคานึงถึงการพักผ่อนหย่อนตัวในทางสมาธิเลยเพราะงั้นเราถึงหักใครเข้ามาให้เข้าสู่สมาธิพอเข้าสู่สมาธิแล้วจิตจะแน่วนั่นละตอนนี้ เหมือนถอดเสี้ยงถอดน้ำสบายเบ้าหมดเลยนี่เรียกว่าพาักจิตจิตทางานด้วยทางปัญญานี่พักนี่นี่พกัพกดูนั้นมีสติกำกับนะเพราะกำลังทางด้านปัญญามันรุนแรงเราเบามือทางสติกับสมาธินี่หน่อยนะึงมันจะพุ่งออกเลยเพราะจึงบังคับให้พอกับความต้องการที่เราพาักใจมีความสดวกสบายเย็นไปหมดนะ เราพากงานจิตเข้าสู่สมาธินี้จะเย็นไปหมดทีนี้เราดูพอได้กำลังวางชาแล้วที่อพอถอยถอยนี่มันจะพุ่งเข้าทางปัญญาเลยนี่เอาอีกเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาไม่มาสนใจกับสมาธิให้ทํางานทางด้านปัญญาโดยใช่เดียวพิจารณาให้เต็มเมตเต็มเหนื่อยเมื่อเด็เหนื่อยเมื่อลาทางด้านปัญญาแล้วถอยจิตเข้ามาสู่สมาธิเพื่อพักเครื่องพักจิตนี่นะ อย่าไปสนสนใจกับปัญญาเวลาเข้าสู่สมาธิให้ทำหน้าที่เข้าพักิ่นโดยตรงบังคับเอาไว้ให้เขาพักนี่เรียกว่าปฏิปปันนากะปฏิ ป, าปทาปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติเป็นความราบลื่นดีงนามเวลาทำงานให้ทำจริงๆอย่ามาห่วงการพักผ่อนนอนหลับรับปทานอาหารใดๆแต่เวลาเหนื่อยไเมื่อลาจากการทำงานคือปัญญา พิจารณาเต็มสัดเต็มส่วนเนี่เหนื่อยไม่ล้าแล้วให้ย้อนเข้ามาพักผ่อนย่อนกายจะเป็นสมาธิก็ได้จะพักเข้าให้หลับก็ได้ในเวลานั้นนะจิตเมื่อสงบลงแล้วมันหลับได้สบายได้ไม่ละเพลินทางด้านปัญญาไม่หลับนะตลอดรุ่มมันก็ไม่ยอมหลับมันเพลินทางด้านปัญญาพุ่ง่งได้หักเข้ามาสู่สมาธิเมื่อจิตเข้าสู่สมาธิสงบลงแล้วหักลงไปให้เขาพักใจหลับนอนก็ได้ นี่ให้พากันพิจารณาอย่างนี้นี่เรียกว่าอภรณกักะปฏิบัติลาบลื่นดีงามให้พิจารณาอย่างนี้เรื่องอสุภาษุฟังเป็นสําคัญมากสําหรับนักบวชเรานะ <c oughs> การมราคะจะเรือนจะอยู่ในนี้นี่คือเรือนการมราคะนะการมราคะที่มันหนาแน่นมากที่ในหัวใจทําใจให้หวันตลอดเวลานี่นคือการมราคะไม่มีอะไรก็ไปแตะต้องมันจึงต้องกับปัญญาฟาดข้าไปสู่ ผมคนเล่นฝันหนังเนื้อเองกระดูกดับตาเส้นผูมเพันแต ก, กกระจากระจาดออกไปเป็นชิ้นนั่นชิ้นนี้มีแต่วความสโครกโสมมเต็มเนื้อเต็มตัวความรักความชอบว่าสวยว่างามมันก็จางไปจางไปสุดท้ายความสวยความงามไม่มีในกายของเราทั้งคนไม่ไดแต่กองกระดูกปลาช่าผีดิบอยู่ที่นี้หมดมีปัญญาด้วยสอดเข้าไปสอนเข้าไปราคากันหามันจะเบาลงเบาลงทีนี้เวลา พิจารณาสุภาพสุภังมากเท่าไรราคาตันหานี่เบาแทบไม่ปรากฏบางทีไม่ปรากฏเลยต้องได้ทดลองหลายแบบหลายฉบับนะมันไม่มีจริงเช่นเราเดินเข้าไปกลุ่มคนมากๆจะเอากลุ่มไหนนะที่เป็นค่าสื่อต่อจิตใจมากๆนั้นะให้เอากลุ่มหญิงโสสาวนะให้ยืนเป็นตับเราก็ว่าเราเก่งละทางด้านสติปัญญาของเรามันจะพิจารณา ผานอาชูพระหญิงก็สวยวา ง, งามจะไม่มีคําว่าสวยวางงามอาชูพระนี่ตีแตกกระจายกผก า, านเข้าไปในคนนั้นจะไม่มีความกําหนัดเลยนี่คือสติปัญญาทางพิจนาทางอาชูพระอยุบผามแตกกล้าสามารถแล้วผ่านไปเลยเลยจนกระทั่งหายเงียบไม่มีบางครั้งหายจริงจริแต่เราไม่ได้สําคัญเวลามันมั น, ม, นมันหมดมันไม่มีจริงไม่มีนนะราคะตันหา จะดูอะไรอรายุภาพมันแตกซีเดียวขาดจะบ้านไปเลยมองดูหญิงนี่ว่าจะสวยงามจะให้เกิดราคะตันหาอาุภาพตีแตกตีแตกตีแตกมันเลยหาความสวยมาความงามมาได้ราคะตันหาก็เกิดมาได้ดิเอานี้ให้เล่กอันนี้ให้หนักนะหน้าปฏิบัติเมื่อจิตมีความสงบพอเป็นปากเป็นทางแล้วให้ก้าวทางด้านมีปรัชนาคือพิจารณาร่างกายนั้นสมาธิปัญญาปัญญานี่จ ะ, จะแก้อันนี้จะก่อนอื่นนะอายุภาพทั้งนี้ก็เพื่อแก่ราคะตันหา เมื่ออาุวะจุฟังมันหนาแน่นมากมันชัดเจนเต็มแจ้งติดจิตใจตลอดเวลาแล้วนี่อาุภะนั้นไม่ใช่แจ้เรื่องเป็นความแจ้กทีเลดนะเป็นทางเข้ามาเพื่อความแจ้งทีเลดต่างหากเวลาพิจานาอาชุวัตถุบังเต็มเหนี่ยวแล้วชำนี้ชำนานแล้วอา้าวที่นี่ตัดสินใจกันว่าราคะมันจะขาดตอนไหนนี่การมาราคานี่ยมันจะขาดตอนไห น, น ให้เอาอสุภาสุพาาังที่เราพิจารณาอย่างช่ำชองอย่างทํานี้สำได้ทำให้แตกเมื่อไรก็ได้ทําลายเมื่อไรก็ได้นั่นเขามาตั้งตรงหน้านี้เอาเอาตั้งตรงหน้านี้อสุภาษนั่นแหะตองอสุภาษของเราของใครก็ตามไม่ไม่ไม่มีผิดเอาของหญิงของสาก็ะทำมาตั้งที่ตรงหน้าแล้วเราแห้งดูเอาไม่ทําลายเวลานี้จะไม่ทําลายแห่งดูภาพอันเนี้ที่อสุภาสุพาาังเนี่ยมันจะไปไหนมาไหนดูมัน นี่นี่แหละการที่จะให้ตัดสินใจกันในเรื่องราคานะจะตัดสินที่ตรงนี้อสุภาสุังเป็นหินรับปัญญาเพื่อจะเข้าสู่จุดนี้ที่จะละราคะได้ให้ออกมาตั้งไว้ตรงตงแต่อย่าไปสําคัญมัดหมายนะให้เป็นไปตามความฉะ น, นี้ชำร้างตัวเองแล้วทําแบบนี้อย่าไปหมายทาหมายไม่เป็นประโยชน์นะเรื่องนี้เป็นเรื่องของปัจจุบันในการพิจารณาต่างหากเมื่อชํานางเอามาตั้งอาา่ะมันจะเคลื่อนไหวไปไหนให้ดูดูความเคลื่อนไหว ถ้ามันตั้งให้อยู่มันก็อยู่ตั้งดูจ้องเหมือนกับเขาเพ่งกระสินดูอสุภัเนี่ยเอามันจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนมันจะเข้าจะออกไปไหนเอาดูถ้าตั้งไว้ยังไงมันก็มันก็ยังอยู่อย่างนั้นอย่างไรมันยังไม่เคลื่อนไหวไปมาใช่ไหมเอาพิจารณาอีกเอาให้แตก ก, กกระจายทําลายพอสมควรแล้วเอามาตั้งอีกทดลองใ ห, ให้มันเห็นปัจจุบันตัวเนี้่ตัวจะตัดสินใจในปัจจุบันเรื่องราคาเนะี่ย ราคามันขาดที่ตรงไหนมันไม่ได้ขาดที่กองอายุความนะเวลามันขาดอืมคว่ามนั้นจึิงเอานี่ทดสอบกันให้มันรู้ว่ามันจะขาดตรงไหนผมจะไม่บอกจุดนี้นะเพราะจุดนี้ถ้าบอกแล้วมันจะหมายไม้ไม่เกิดประโยชน์อะไรผมบอกเข้ามาเพียงเอามาตั้งจุดนี้แล้วมันจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนนี่เป็นจุดที่จะตัดราคาได้เอาตรงนี้ถ้ามันท้ามตั้งอยู่เฉยๆมันให้มันอยู่เฉยๆอ่ะมันจะไปไหน ถา้าถ้ามันยังไม่ไปไหนตั้งอยู่ยงั้อยู่งั้นเอาที่นี่พิจารณาแตกก็จะกระจ า, ะายแล้วพิจารณาใหม่พราอพอช้ํานี้จํนานวนมากพอแล้วเอามาตั้งอีกดูอีกอย่างนี้นะจนกระทั่งมันพอแล้วมันจะบอกเองอันนี้ผมไม่บอกละผู้พิจารณาทั้งหลายมันจะคาดผิดบอกแต่จุดที่มันจะเข้าไปตีราคาให้ขาดชาว บ, บ้านขาดชาว บ, บ้านที่ไหนท่านทั้งหลายจะรู้เองตรงนี้ถ้าบอกเนี่ยมันเป็นสัญญา ความสำคัญมัดหมายและเป็นสัญญาไปเสียไม่เกิดประโยชน์บอกแค่จุดนี้เท่านั้นนะ่ะเมื่อทํางานแล้วให้ตั้งอยู่จุดนี้ให้ดีแล้วมันจะบอกทัานทั้งหล่ยเองนะเนี่ยราคะจะสิ้นจุดนี้นะเพียงความจํานี่ยชนานาญเฉยๆราคะไม่สิ้นนะถึงจะหมดว่าไม่มีความกําหนัดยินดีเลยเลยเดินผ่านผู้หญิงเป็นร้อยๆก็าตามไม่มีไม่มีราคะตำราเกิดขึ้นเลยก็าตามอย่างไม่สิ้นนะอืม มันยังไม่สิ้นนะให้ตัวนี้บอกเองถ้าตัวนี้บอกเองอันนั้นมันเปิดออกหมดเลยไม่ทนลองทดลองหาอะไรเวลามันรู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นนะให้พากันพิจารณาซึ่งกองอาชุภ่าสุพังพิจารณาอาุภ่าสุพังนี้เป็นความชนมุนวุ่นวายของปัญญามากทีเดียวนะหมุนติ่วตู่วตู่ันนี่เรียวกว่าความชลมุนวุ่นวายมากๆอยู่กับการพิจารณาอาุภ่าสุพัง ด้วยความคล่องตัวคล่องตัวคล่องตัวนี้ชุนขมูลมากเอาให้ได้อย่างใจอย่างใจนี่จากนี้แล้วมันจะเข้ามาจุดนี้จุดที่ว่าเอามาตั้งจุดคงกลางเงี่ยเออตั้งหน้าดูพออันนี้มันมันเข้าถึงใจมันจะบอกเองนะเรื่องราคาไม่ต้องถามละมันชิ้นที่ตรงไหนไหนไม่ต้องถามอันนี้จะบอกเองระหว่างนี้ก็อินมันจะรับกันเองนี่พอจากนี้แล้วทีนี้ พอพอ ม, มันเข้าใจเรื่องราคานิเสร็จแล้วมันจะเอาความสิ้นราคาอันเป็นภาคพื้นทวารสอบกรสอบได้ห้เปอร์เซมันจะเอานี้แหละไปฝึกท้อมตัวเองตั้งอาชูพัฒความขึ้นมาขึ้นมาตั้งปั๊บตั้งแต่ปั๊บจิตจะมาคืนเราไปหมดคืนเหมดไปหมดไปตั้งพอตั้งพับโคจะค่อยสลายสลายเข้าไปในจิตเข้าไปจิตหมดต่อไปก็พอพอตั้ง <Doo> พับดับพร้อมดับพร้อมจะแยกแยกเป็นอะไรไม่ได้ไม่ได้ นี่เรียกว่าการฝึกซ้อมจิตขั้นที่ขาดจากราคะโดยบางตัวแล้วให้เป็นความตนี้ชำนาญก้าวเข้าถึงขั้นขาดจากราคะโดยสมบูรณ์จะอยู่ในจุดนี้ในจุดนี้จะเป็นจุดสติปัญญาอัตโนมัตินะฝึกซ้อมอันนี้แหละเป็นอัตโนมัติเลยมันจะหมุนของมันตลอดเวลาจนก็ะทัางไม่มีที่จะพิจารณารูปร่างอางวุธระวังอะไรมันจะไม่ตั้งอยนะพอตั้งภาพมันจะดับพร้อมดับพ อ, พ, อ, พ, อพิจารณาแยกแยะไม่ทัน นี่เรียกว่าชำนาญนี่ราคาป้นน้ำมันจะขาดขาดคือขาดพื้นฐานใหญ่เรียกว่าสอบได้ห้าิเปอ็อันจิงกั้นสาขาต่างๆมันอยากมันจะค่อยตามไม่ก็ไปหมดด้วยความฝึกซ้อมของเราจะมีความละเอียดดอเข้าไปทีนี้ขาดก็ไปขาดก็ไปร่างกายนี่ค่อยหมดปัญหาอะทีนี้เรื่องพี่หน้าอสุภัสภามันอิ่มตัวมันด้เองหนึ่งครั้งๆจะฟัดกันจุนอมูลวุ่นวยพอถึงขั้นมันอิ่มตัวพอตัวแล้ว มันจะไม่สนใจเรื่องอสุภวัชุพามนี่มันสนใจกับอะไรเรื่องนามธรรมาอาศัยเหล่ า, านี้เป็นอารมณ์มันเกิดขึ้นภาพดับดาบเพราะมาเกิดขึ้นที่ไหนมันดับไปที่ไหนมันจะวิ่งเขา้าถึงอีกถึงอีกถึงอีกตรงนี้นะอันนี้เรื่องนามธรรมาล้วนเรื่องรูปธรรมหมดปัญหาไปแล้วตั้งแต่ขั้นราค่าขาดโดยสิ้นเชิงจะไม่มีรูปธรรมปรากฏอาอุพวัชุพามพังไปเลยแยกแยะไม่ทัน จะทําลายอย่างนั้นนี่ไม่ทันพอร่างตั้มดับปุ๊บดับปุ๊บก็คนี่ก็เข้านามธรรมเอาอันนี้แหละเป็นเครื่องฝึกซ้อมมันตั้งขึ้นมันตั้งขึ้นมาจากไหนดับไปแล้วมันไปที่ไหนนี่ฝึกซ้อมเข้าไปเรียกเข้านามธรรมจะเข้าสู่ใจนี่เข้าสู่ใจคือเข้าสู่อริชาเอาตรงนี้ให้ละเอียดละออดูตั้งแต่อารมณ์ของจิตที่เกิดที่ดับนี่ก็ดับดับชั่วก็ดับเกิดอะไรเกิดอะไรดับอะไรเกิดอะไรเกิดที่ใจดับที่ใจมันต่างกันตลอดเวลา เดียวมากก็ถึงตัวใหญ่ อ, อวิชานั่นคื อ, อวัตจักรวัตจิตคืออวิชชาพอเข้าถึงนั้นพระมันจะพังกันเลยไม่มีอะไรเหลือนี่แหละการพิจารณาธรรมขอท่านหลายจจำให้ดีนะการที่อธิบายมานี้ผมอธิบายด้วยความแม่นยำผมไม่สงสัยในการเดเนินเพราะผมดาเนินมาหมดแล้วได้เห็นได้ผล ม, มาเป็นระดับจนกระทั่งถึงทะลุ พุ่งไปหมดเลยหายสงสัยแล้วสุดท้ายตัวของเราไม่มีกรรมฐานเมื่อมันหมดโดยสิ้นเชิงแล้วปิดหมดจากที่เลยแล้วกรรมฐานไม่มีมันเป็นโลกสมมูิไปหมดเลยอืมไม่มีจะมาพิจารณาเอาสุกว่าจันทุกขวอย่างจะไม่มีอันนี้เป็นสมมูิทั้งหมดธรรมชาตินั้นพอตัวแล้วเป็นอิรูถึงเลยหมดกรรมฐานคือสมมูลข่มมุดนี่แหละเป็นทางก้าเดินเพื่อมีหมด ให้พากันพิจารณานี้ให้ดีนะนักปฏิบัติเราทั้งหลายนี่แหละเป็นผู้จะส่งมรรคผลนิพพานตามทางของสัตรดาที่สอนไว้ขอย่าให้ห่างไกลจากหลักธรรมหลักวิไงอย่าพากันฝ่าฝืนหลักธรรมอย่างไรสำคัญมากทีเดียวถ้่าออกันผู้มีสีโมดิสูตรเลือกไปที่ไหนชุ่มเย็นภายในใจถึงจิตใจจะไม่ค่อยสงบร่มเย็นตามสัตว์ตามส่วนของมันตามความต้องการปรตามแต่ความประุ่นของใจว่าเรามีสีโมดิสูตรนี่อกผุ่นมาก ยิ่งไปอยู่ในป่าในเขาสียิ่งแสดงความเด่นชัดในความอบอุ่นนะไปอยู่ในป่าในเขาอยู่กับเสือมันจะมางับไปเมื่อไหร่ก็ได้สีบริสุท์เท่านั้นเย็นนะตาเดี๋ยวนี้เราก็ไปทั้นอีเลยไม่สงสัยเนียเพียงไม่มีอะไรมีเพียงสีนบนสุดเราก็อบอุ่นอยู่ในป่าในเขาซึ่งเป็นทํากลางแห่งอันตรายทั้งหลายมีเสือเป็นต้นนะเรียนทีนี้ยิ่งจิตเรา ได้หลักใจเขาไปกินมีความสงบรงง่มเย็นเข้าไปมันก็ยุง่งรู้วิธีปฏิบัติต่อตัวเองไป เ, เรื่องศัตว์เรื่องเสือไปนอกมันไม่ได้ยุ่งละศาสตร์เสือตัวยีว่เหลตัวมันหลอกมันสําคัญมากกว่ามันจะหมุนอตรงนี้มี่พากันพิจิตรพจารณามักผลที่ผานจะไปหาที่ไหนนะให้หาตามเนี่ยที่ศาสตราสอนมาได้ยังะที่นํามาสอนนี่แม่นยำผมไม่สงสัยในการสอนผ่านมาด้วยวิธีการเหล่านี้แล้วจึงมาสอนจึงสอนด้วยความถูกต้องแม่นยําไม่สงสัย ขอให้ยึดหลักนี้ไปปฏิบัติสติเป็นของจำพันอย่าพากันเถือนะถ้าอยากตัง้งรากทางฐานจิตใจตั้งแต่ความสงบถึงสังขัรสมาธิถึงก้าวถึงปัญญาเนะไแล้วขอให้เอาสติให้ดีกับทำพบริกรรมติดกันเลยเราไม่ต้องว่าถ้าว่าเร็วว่าบวชมากี่ปีกี่เดือนบวชมาเท่านั้นมาทานี้วันปฏิบัติมาเท่านี้ น, น, นี้อย่ามาพูดเอาตรงสติกับจิตมันเถือต่อกันให้จิตเดชแท ร, รกะสมาเซมาไม่ให้มันเถือเอาตรงนี้นนะ ไม่เมื่อมันเผยแล้วอิจได้รับได้รับอาราขาจากคัมบริกรรมคัมบริกรรมแล้วอาราขาจากสติครอบไปแล้วอิจนี่จะค่อยสงบเย็นทั้งหมเบื้องต้นมันคุ่งนะเราบางครับไม่มันมันชิดเรื่องอะไรเพราะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันจะดันออกมาดันออกมาเหมือนอกแยกแตกนะบางครับอย่าให้มันเผอไปตามไปถ้าเผอแบบคิดออกไปนั่นแหละกิเลสออกทํามาแล้วเอาไฟมาเผาเราไม่ยอมให้ที เราเคยคิดมามากต่อมากแล้วทีนี้ไม่เสียดายเลจยาคิดตั้งแต่เรื่องทำอย่างเดียวคือทำนี่เชน่นทำบริกรรมนี่เรียกว่าทำสติทำกรรมบริกรรมก็เป็นธรำเอาอยู่นี่อยู่นี่ต่อไปก็ทีนี้หยินนี่จะค่อยเย็ยนลงเย็นลงช่องอกลงแน่วนลงนะจิงรบกวรคือความที่กำลังอยากจะลาบระอุไปตามทางของกิเลสมันจะเบาลงเบาลงนี่เราตั้งถามได้นะจําให้ดีนะอยาเสียดายเวลาเวลา เรื่องสมมูติ์ทั้งหลายมันมีมาตั้งกับนางกันตัวยุ่งของเราตัวเรายินคือที่เลสอยู่เข้าใจเราอย่าให้มันชิดออกไปอย่ามายุ่งไปตั้งฐานให้ดีจากนี้แล้วจิตจะมีความสงบเย็นเข้าไปเย็นไปจนกระทั่งถึงเป็นสมาธิแล้วเอาพิจารณาทางด้านปัญญาเยอะๆๆเป็นการเป็นเวลาเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาเอาพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อ เ, เหนื่อยเมื่อล้าแล้วจะควรเข้าพักสมาธิเอาเข้ามาอย่าห่วงปัญญาให้เข้าสมาธิโดยที่เดียว พีนีพอมันอิ่มตัวห้องมันมีความสงบร่มเย็นสบายได้ได้กําลังละที่ออกทางด้านปัญญาไม่ต้องห่วงสมาธิหมุนติ้่เลยนี่แหละในนี้จิตเด็ดตัวใดก็ตามจะไม่พ้นจากสติปัญญานี้ไปได้เลยเนี่ยตัวเป็นเครื่องวาดเครื่องตวงกันคือสติปัญญาปัญญาก็ฉลาดแหลมคมก็ไปเรื่อยๆด้วยตั้งแต่สติปัญญาถนมากคือข้ามจากการ ม, มาลาคานี้ไปแล้วจะเป็นสติปัญญาถนอมาก จากสติปัญญาจนวายทำงานโดยนําพังตัวเองฆ่ากิเลสโดยนําพังตัวเองไปแล้วจากก้าวเชื่อมไปถึงมาหาสติมาหาปัญญาจะเชื่อมถึงกันซึมซาไปหมดไปหมดสูดท่ายวิชามันจะอยู่โลกไหนนะั่นมันก็อยู่ที่หัวใจนี่มันปิดมา ก, กี่กับอยู่กันก็เพราะวิชามันปิดตัวของมันสติปัญญาฟาดกันไปขาดกัดนไปพุ่งเลยนั่นนิพพานอยู่ที่ไหนถามหานิพพานอยู่ไหนหลังจากจำมานะเอาละบันนี้พูดเพียงเท่านี้ ให้นำไปเป็นกติกาเรื่องเกือนใจทุกวงทุกวงให้เป็นที่ตายใจที่สอนนี้ไม่ผิดได้ผ่านมาหมดทุกติ่งทุอย่างผมนี่จะว่าไข้ควรบางที่ว่าบันหนักไข้ควรมากอยู่นะไม่เอา ง, ง่ายๆอะไรก็ไม่เอา ง, ง่ายๆต้องใช้สติปัญญาต้องไปตั้งเป็นที่แน่ใจในปฏิปทาที่ดํานินมาแล้วยื่นมาสั่งสอนตั้งหลายหอให้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะเอาละ ขอความสวัสด kh ีจงมีอย่าท่านทหลายโดยโชนากันเถอะสาธุพูดมากก็เหนื่อยเหมือนกัน